ตอนจะเข้าในหัวข้อของปฏิสัมพิธามร์ ก, ก็อยากจะกราบนะมัสการถามพระอาจารย์ถึงอาวัชนะจิตกับพระวังขจิตทีนี้ก็มีพวกเราหลายคนสงสัยกันว่าพระวังขจิตนี้ตามที่ความรู้ที่มีมาก็คือว่าเป็นจิตที่ดํารงพบชาติแล้วก็อารมณ์ของพระวังขจิตก็เป็นอารมณ์ของชาติอดีตพวกเราก็เลยมีความรู้สึกว่า มันไม่น่าจะมีความสําคัญต่อชาติปัจจุบันมากแต่ก็มีที่ท่านแสดงว่าพื้นฐานของจิตนี้เป็นเครื่องกั้นที่จะไม่ให้บรรลุก็ได้หรือบรรลุก็ได้ซึ่งในแง่นี้ก็แสดงความสําคัญของพวังคจิตอยากอาให้พระอาจารย์อธิบายให้ละเอียดด้วยค่ะแสดงว่าเกิดมาเป็นผู้ใหญ่เกิดพวังนะ อันนี้เรียกว่าอนันตรุปะนิสยาป จ, จัยอ่า น, นี้เป็นตกตูปะนิสยปปจจัยตัวอาคัชนนนี้เป็นอนันตรุปะนิสยปปจจัยแก่ปฐมชวนะเหมือนกันทีนี้ถามคำถามที่ที่คุยก็คือประเด็นว่าพวังเนี่ยมีผลอย่างไรต่อชวนะเนี่ยนะมีผลอย่างไรต่อชวนะ นี่เราก็มาดูก่อนว่าภาวังเนี่ยโดยพื้นฐานเป็นผลของอะไรเป็นผลของตรของมนุษย์ทั้งหลายที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะก<ำ>ามที่มานําเกิดต้องเป็นกุศลเนี่ยนะหากุศลมหากุศลเนี่ยก็แบ่งเป็นชนิดว่าทานนําเกิดหรือศีนเป็นตัวนําเกิดหรือภาวนานําเกิดภาวนาก็แบ่งออกเป็นกลุ่มสมถะ หรือวิปัสสนาทีนี้พวกนี้ถามว่าคูณอารมณ์หกอีกทานศีลภาวนาเนี่ยคูณอารมณ์หกทีนี้ในทานศีลภาวนาเนี่ยนะกรรมที่ทําเนี่ยบางอย่างเป็นกายกรรมบางอย่างเป็นวจีกรรมบางอย่างเป็นมโนกรรมในบรรดากรรมเหล่านี้เนี่ยนะระหว่างทําบุญอยู่นะบางคนเนี่ยก่อนทําก็ปุบพระเจตนาดี ปุพหะเจตนาดีมากกําลังทําเรียกว่ามุญจนะเจตนาก็ดีทําเสร็จแล้วอัปราภระเจตนาก็ดีแต่มันมีคนที่ไม่อย่างนั้นอ่ะปุพหะเจตนาไม่ดีบางคนเนี่ยมุญจนะเจตนาดีอัปราภระไม่ดีบางคนปุพหะเจตนาดีมุญจนะเจตนาดีอัปราปะไม่ดีหรือบางอย่างดีทั้งสามการ ประเภทปกผ้าเจตนาไม่ดีเนี่ยะอะไรเกิดก่อนบ้างบางคนโทสะอยู่เช่นประเภทสมบุรประเภทผ้าป่ากรถินทั้งหลายเลยเห็นคนมาแจกกองก็ชักไม่ค่อยสนุกละ <c oughs> ก็โทสะนำหน้าเป็นต้นนะในบางกรณีไอ้บางกรณีก็โลผ้านำหน้านี่ในกลุ่มโทสะก็แบ่งบางคนเนี่ยมีถีนะาประกอบเนี่ยนะโลผ้านี่นะโลผ้าหรือโทสะ บางคนเนี่ยโมหะมีกําลังมากกําลังเมาอยู่พอดีเลยเนี่นะบางคนน่าจะทําบุญต่อเมื่อเมาก่อนนะจึงจะทําได้ถ้าไม่เมาไม่ทํานะมันก็มีกลุ่มนี้แล้วพอทําเสร็จนะบางคนก็โลภโกรธหลงต่อะอันนี้เรียกว่าไม่ดีทั้งก่อนทําและกําลังทำํำนี่กําลังทํานี่ก็แบ่งเป็นแปดชนิดอีกกันมหากุศลแปดเนี่ยนะก็แบ่งว่าขณะนั้นทําเป็นศีลหรือเป็นภาวนาหรือเป็นร่วงมาทางกายวาจาหรือใจ พวกนี้เป็นตัววิเคราะห์ว่ากรรมตัวเนี้ยมีผลต่อภวังพอมีผลต่อภวังอย่างเนี้ยก็เป็นเหมือนกับธาตุอันนี้เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเหล็กนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าการหลอมเหล็กขึ้นมาเหล็กเนี่ยถ้าตีแล้วมันจะดังเท่ากันเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะตัวตัวธาตุเหล็กมันไม่เท่ากันนะระฆังบางดวงเนี่ยตีดังมากบางดวงนะไม่ค่อยดัง ตีสารเขาไม่ไม่เอาแบบระครังนี่แล้วเขาเอาพวกหัวระเบิดมาตีเงี้ยนะเลยดังสนั่ น, ปนไปหมดเลยก็แล้วแต่ว่าเอาอะไรมาเป็นตัวธาตุเหล็กเหมือนกันแต่ว่ามันดังไม่ได้เท่ากันฉันใดรวังตัวนี้มันจะมีผลต่ออาวัชนะเหมือนกันบางค น, นเนี่ยน ะ, ะมักโกรธแต่เขายังไม่ทันด่าเลยโกรธแล้วอย่างเงี้ยไม่ทนันเขาไม่ทันหาเรื่องเราเสียใจแล้วพวกนี้ขี้น้อยใจอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้จะหนักไปทางโทซะ เพราะว่ากรรมที่นําเกิดมีโทสะเป็นบริวารคําว่าบริวารแปลว่าก่อนทําก็โทสะทำเสร็จก็โทสะเคยเ ใ, ใส่บาตเสร็จก่อนใส่บาตก็ด่าลูกไหมใส่บาตก็ไปใส่บาตก่อนแล้วกลับมาด่าลูกต่อนนไรเงี้ยก่อนทําก็โทสะกําลังทําก็กุศลก็ไม่ค่อยมีปีติเท่าไหร่ก็ทําเสร็จแล้วก็โทสะต่อเพฉั้นพวกนี้มันจะมีผลต่อภวังผวังตัวนี้ยมันเหมือนกับ พูดแบบทไทยๆก็คือธาตุแท้ของคนนั้นนี่นะธาตุแท้ของคนนั้นว่าแล้วชาวนะเขาจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตรงธาตุแท้ก็ดูว่าเป็นตัววิวเคราะห์จริตว่าเขามักโกรธหรือว่ามักโลภหรือว่ามักหลงก็ ก, ก็วิเคราะห์ไปตามนี้นี่นะวิเคราะห์ที่ผวังก่อนนี้ตัวผวังของมนุษย์เนี่ยปกติก็มีเก้าดวงอ่ะนะดวงใดดวงหนึ่งเก้าดวง อันนี้ก็ตัวสืบเนื่องให้เห็นว่าชาวนะของเขาโดยมากเป็นอะไรทีนี้ในมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวชาวนะ น, นี้มีอะไรเป็นอารมณ์อีกอนะอารมณ์มีหกอารมณ์นะรูปเสียงกลิ่นรสและโภตาภะอารมณ์เหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นประเภทอิทธารมณิถารมหรือมัชตาร ม, มัชตาปางกลางเลยนะ มันก็ว่าไปตามอารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้กลุ่มอารัมมณปัจจัใอว่าย่อๆก่อนนะแล้วก็วัตถุด้วยตัววัตถุของชาวนะเนะี่ยว่าโดยย่อๆก่อนนะหนึ่งสหาชาตธรรมของชาวนาก่อนสองอนันตรมนสิการอะไรอยู่สามปกตูปะแล้วชีวิตมันไม่เท่านั้นชาวนะก่อนหน้า น, านี้อีกมาอีกละชาวนะเอกนะ ตัวนี้ก็ปากตระตูเอกแล้วตัวอารมณ์อ่ะแล้วบริวารของอารมณ์แถวๆนี้อะไรนีนะ่แล้วในเหตุการณ์เหล่านี้สถานที่มันคือที่ไหนใครม้างในสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมันก็องคประกอบมันมันเยอะค่อนข้างมากเลยกว่าจะมีหนึ่งความคิดขึ้นมางั้นใครจะโกรธ ถ, ถ้าจะเทียบตามปจาัจจัยแล้วไม่ง่ายนะที่จะโกรธเป็นนะแต่ว่ามันชำนานอย่าง้ ทุกเรื่องเหมือนกันปัจจัยมันเยอะมากเลยแต่ว่ามันมันชำนาญ น, น, นะก็เลยเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยกลายเป็นว่าเรื่องไม่ยากอะไรแต่ทุกเรื่องทุกเรื่องเนี่ยอ้เรื่องมากแม้กระทั่งในจิตหนึ่งดวงเนี่ยในภาวนาหนึ่งดวงเนี่ยกลุ่มสัมปยุตตปัจจัยเยอะมาก น, นะองค์ประกอบเยอะในบรรดาสิ่งที่ยากๆนะถามอะไรหนึ่งวางความเป็นมนุษย์ในยากสองอารัมมณปัจจัยประเภทพุทธคุณเป็นต้นเนี่ย ยากนะนะเช่นฟังทำเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ยากสามรวังนะรักษาให้ยาวก็ยากให้ให้เช่นมชยยนะีชีวิตยาวๆนะชีวิตยาวไม่ยาวอยู่ที่รวังนะนะถ้าปานาติบาตมาตัด ก, ก็อายุไม่ยืนทีนี้เมื่อชาวนะกว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยยากๆและชาวนะเนี่ยซ่องเสพในเรื่องนั้นมากขนาดไหนด้วยนะเนะี่ย แล้วก็ภพรมที่หลักๆนะศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพวกนี้ส่งไปในอนาคตต่อไปตอนที่เรากำลังเจริญนะปลูกฝังอุปนิสปัต ก, กตูทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสมมตินะกว่าอริยมรรคจะเกิดเนี่ยแต่ถ้าเบอกว่าพอเจริญได้ก็ไม่ก็มีปัญหานะแต่ว่ายากกระท้อตั้งแต่แรกแล้ว ก็จเจริญได้และศรัทธาก็ดูที่โสตาปฏิยังฆธรรมจริงๆแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันแต่ถ้าเกี่ยวกับโสตาปฏิยังคะธรรมเอาศรัทธาเป็นหลักถ้าเกี่ยวกับสัมมาประธานถือวิริยะเป็นหลักถ้าเกี่ยวกับสติสติประธานถือสติเป็นหลักถ้าเกี่ยวกับสมาธิก็สมาธิเป็นหลักถ้าเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ธาตุอราิตนะหรืออริยสัจก็ถือเอาปัญญาเป็นหลักเนี่นนะแล้วก็อบรมแต่ละตัวเนี่ยนะ ในนี้ใ น, น, น, น, น, น, นหนึ่งขณะแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่จะต้องอบรมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเทียบกันไปถ้าพื้นฐานวีรตีสามอ่อนนะอริยมร์ประชุมไม่ได้เห็นไหมก็องค์เยอะอย่างนี้หลยเพราะในในในหนึ่งที่สะสมมาในอดีตชาติเ้าไม่เท่ากันสะสมในพระสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เท่ากันเนีนะ่ยะอันนี้คือความแตกต่างกันของของธรรมะเนี่ยนะ เพาะเวลาจะวิเคราะห์เนี่ยเขาจะไม่ไม่เอาพูดลอยๆแบบนี้ง่ายๆเขาจะพูดว่าเช่นมหากุศลที่เกิดขึ้นขณะนี้เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างก็มองใกล้ๆก่อนอาวัชนะอะไรอยู่อาวัชนะเช่นมณสิ ก, การถึงธรรมะที่ฟังนะติดตามเรื่องตลอดก็แต่ละคําก็ติดตามไปตลอดติดตามไปตลอดอันนี้อยู่ที่อาวัชนะทีนี้ แล้วพวังอ่ะพื้นฐานของพอวังด้วยจะเรียนเข้าใจมากเข้าใจน้อยพื้นฐานตัวหนึ่งอยู่ที่พวังถ้าพื้นฐานเป็นทวิเหตุก็เข้าใจไม่ค่อยทันเพื่อนเท่าไรหรนะ่เนาะคือเข้าใจช้าแล้วก็ลืมง่ายยังไงเนะี่กลุ่มนี้ทวิเหตุการเกิดอย่างเงี้แล้วก็องค์ประกอบด้านอื่นๆอีกนี่นะในประตูปานิสยปัจจัยก็คือบุคคลเซนาสนะอูตุโภชนะ อาหารมากไปก็เรียนยากเหมือนกันนะอนนะก็เอาเอามหากุศลที่เกิดขึ้นในขณะฟังธรรมเป็นเป็นหลักอ น, นะก็ก็ดูไปตามนั้นไปวิเคราะห์ไปตามนั้นไปแต่ถ้าเคยเห็นไหมบางคนทําไมฟังธรรมอยู่ก็ยังโกรธเลยนะอันนะก็ประกาศถึงว่าโอ้โหผวังของเขาไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนะคือผวังของแต่ละพบคนละกลุ่มกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถือว่าอผวังก็ถือนหนึ่งชาติ พวังหนึ่งชนิดถือว่าหนึ่งชาติบางทีก็พวังชนิดน้อยๆเช่นอายุเจ็ดวันอย่างเงี้ยในอาบายเป็นต้นหรือบางทีพวังแบบชนิดใหญ่ก็เป็นพรหมมีอายุนานเป็นกับกับเนี่ยนะก็ว่าไปตามแต่กรรมสุดแท้แต่กรรมที่จะเป็นตัวนําเกิดเนี่ยนะเป็นทานเป็นศีลหรือเป็นภาวนาถ้าฝ่ายอากุศลแ่ะก็อยู่ที่ว่า กลุ่มปานาติบาตอธินนาทานหรือการเมสุมิชาจา์มุสาวาทก็เอากร ม, มบดนั่นแหละเป็นเครื่องเครื่องตรวจสอบอมาตรฐาน ท, ทั่วไปเนี่ยนะการปฏิสนธิในอบายคืออกุศลกรรมบทนำเกิดสุขติมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือกุศลและกมบทนะก็ที่เหลือก็เอาองค์ประกอบอื่นๆมาวิเคราะห์คือกลุ่มสัมปยุตตปัจจัย อาจารย์คะอย่างอาวัชนานี่เรายังพอจะเข้าใจได้เพราะว่าอารมณ์ของเขาเป็นอารมณ์ของชาตินี้แต่อย่างพะวังนี่อารมณ์มันเป็นอารมณ์ของชาติอดีตอย่างคนที่เป็นทวีเหตุกะอย่างนี้ถ้าเขานั่งฟังธรรมะเขาก็มานาสิกานธรรมะไปนี่ อ่าถ้าพูดโดยพระอภิธรรมนี้พวังของเขาก็เป็นอารมณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะตอนนั้นเลยแล้วนี่มันมาเกี่ยวกันยังไงทึงทําให้แบบว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจได้ต่างจากคนอื่นนะคะเอานี้นะว่าเอกคนหนึ่งปวดท้องเอกคนหนึ่งไม่ปวดท้องเวลาฟังธรรมเนี่ยเข้าใจต่างกันไหมต่างกันอ้าวท้องมันไม่เกี่ยวอะไรกับหูหนี่นนงอย่งเงคือแล้วพวังมันก็มันก็ไม่ได้ไกลกันนะเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ไกลกันนะ ศัพทิธีทุกขั้นเนี่ยต้องมีภวังศัพท์หมดเลยมันเป็นลักษณะอุปนิสัยมันไม่ใช่อรโดยอารมณะปัจจัยในบรรดาชาติของจิตเนี่ยชาติใหญ่ๆมีอยู่เก้าชาติเก้ากลุ่มใหญ่ๆเลยเนะเคเราอาจจะคุ้นเคยเฉพาะหนึ่งอารมณะชาติวัตถุกุเรชาตชาติสหาชาตชาติอนันตรชาติ ก, ก็พื้นฐานเท่านั้นแต่เราคิดเรื่องอุปนิสยาชาติน้อยไปประตูปานิสยาชาติมีตั้งเก้าวระ กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะอากุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลอากุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่กุศลอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อากุศลมีทั้งเก้าวระ อันนี้เฉพาะกุสลติกะอย่างเดียวนะแล้วก็ยังมีสุตตัตนาอีกบุคคลเสนาสนะอุตุโภชนะก็เป็นอุปนิสยปัจเนี่ยนะพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเอามาคิดก็คือเรื่องอุปนิสยชาติแต่การที่เราจะเข้าใจอุปนิสยชาติดีต่อเมื่อเข้าใจชาติที่เหลือแปดชาติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจสหชาตชาติอารมมณชาติอนันตรชาติวัตถุปุเรชาตชาติรูปอาหารชาติ รูปชีวิตอินเดียชาติในปัดฉาชาตชาติแล้วก็อะไรนะแล้วก็นานักขหคณิต ก, กรรมชาติเมื่อเข้าใจทั้งแปดชาติที่กล่าวไปแล้วจะเข้าใจปกตูที่มันไม่ใช่แปดที่เหลือนั่นจะเป็นปกตูปานิสยปัจัยทีนี้ในบรรดาปกตูปานิสยปัจัยเราก็ดูเหตุที่มันมีกําลังต่อเรื่องนั้นต่อเรื่องนั้นเรียกว่าเอา่า เหมือนพูดง่ายๆว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามาฟังธรรมนะแต่ละคนจะพูดไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อย่างนั้นนะบางคนเพราะว่าคนที่บ้านเขาให้มาอับางคนนี่ถูกเขาไล่ให้มาอย่างนั้นบางคนถูกเขาชวนมาเนี่ยนะก็บปัจจัยมันเยอะยนะแต่ว่าแต่ละคนจะพูดไม่เหมือนกันแม้แต่คาเดียว เพราะอุปนิสัยที่สำคัญของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเอาเอาที่สำคัญที่สุดก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยเดียว น, นะเขาจึงเรียกว่าสังขารธรรมไงทั้ทงๆที่มันไม่เที่ยงอย่างนี้นะเราก็ยังดูว่ามันเหมือนเดิมน น, นะ